ห่วงความเกลียดเท่ากับห่วงหลุมดำอันเป็นประตูสู่นรกไว้ในอกต่อให้มองเข้ามาแล้วอ่านออกว่าความเกลียดคือหลุมดำอันเป็นทุกข์เป็นสิ่งดึงดูดให้ลงนรกคนส่วนใหญ่ก็มากบดไม่ได้ขอเก็บความเกลียดไว้ให้ใครสักคนที่สมควรได้รับความเกลียดชังจากฉันเถอะ ตอนเกลียดใครแล้วรู้สึกว่าคิดอะไรดีๆไม่ออกเห็นหน้าได้ยินชื่อหรือนึกถึงแล้วเกิดอาการจุกอกแน่นในหัวเหมือนเกิดกำแพงหนาหาความคิดดีๆไม่เจอนั่นแหละโอกาสแห่งความทุกข์โอกาสแห่งการสร้างบาปเวรโอกาสแห่งการเกิดใหม่ในที่ตกต่าเพราะจิตที่ชุ่มด้วยความเกลียด ย่อมมืดดำเหมาะกับอัตภาพอันดำมืดแม้อ้างว่ามันผู้นั้นสมควรต้องถูกเกลียดจริงๆยกเหตุผลความชั่วร้ายมาขนาดไหนอย่างไรก็เท่ากับบอกว่าฉันสมควรมีประตูสู่อบายไว้บานหนึ่งหรือฉันจำเป็นต้องมีประตูนรกติดตัวอยู่นั่นเอง เมื่อเกลียดใครชนิดรู้สึกว่าไม่เกลียดไม่ได้จริงๆก็อาจพิจารณาว่าไม่เกลียดแล้วถึงขั้นบกพร่องในหน้าที่ไม่เกลียดแล้วจะกลายเป็นคนผิดปกติไม่เกลียดแล้วกลายเป็นคนแล้วงั้นหรือควรคิดใหม่ว่าเขามีเส้นทางกรรมของเขาไม่ใช่เส้นทางโคจรของเรา เป็นโลกที่เขาสร้างไม่ใช่โลกที่เราอยู่แต่เมื่อเกลียดเขาจะเท่ากับยึดเขาไว้ในโลกของเราหรือเปล่าถ้าเอาไม่อยู่ถามเป็นคติให้ตัวเองไม่ได้แน่ๆก็อย่าฝืนคิดอะไรดีๆต่อเพราะความคิดดีๆสู้ความรู้สึกแย่ๆไม่ได้แน่แล้วดังนั้นปล่อยให้เกลียดไป เพื่อจะได้มองความเกลียดในใจตัวเองชัดๆเสียทีมืดอย่างไรก็ยอมรับว่ามืดอย่างนั้นสติรู้ความมืดพึงเกิดขึ้นเมื่อยอมรับจริงอัดอั้นอย่างไรก็ยอมรับว่าอัดอั้นอย่างนั้นสติรู้ความอัดอั้นพึงเกิดขึ้นเมื่อยอมรับจริงร้อนอย่างไรก็ยอมรับว่าร้อนอย่างนั้น สติรู้ความร้อนพึงเกิดขึ้นไม่ยอมรับจริงเมื่อยอมรับและรู้เห็นเข้าไปอย่างชัดเจนในอาการใดอาการหนึ่งของความเกลียดความเกลียดย่อมปรากฏต่อสติลมหายใจหนึ่งความเกลียดแรงแค่ไหนลมหายใจต่อมาความเกลียดย่อมอ่อนกำลังลงหรือทวีตัวขึ้นกว่านั้น ไม่มีทางเท่าระดับเดิมไปทุกลมหายใจรู้ความไม่เที่ยงของสิ่งใดเรื่อยๆความหวงสิ่งนั้นย่อมลดลงเป็นธรรมดาเช่นที่อาการหวงความเกลียดจะลดลงเรื่อยๆโดยไม่มีข้ออ้างผิดๆว่ายังไงก็ต้องเกลียดมันให้ได้อยู่ในใจอีกต่อไปเพราะพบแล้วว่าความจำเป็นต้องเกลียดคือสิ่งที่คิดไปเอง ส่วนความไม่จำเป็นต้องเกลียดนั่นแหละของจริง